คน ท, ที่เดินออกไปนั่นค <no ือใครใครเป็นคนส่งเขาไปเหตุชน้นี่เองมันท really> in ั้งภาวนาไม่ไปในกันว <um ิชาโลก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 เขาจะทนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ บ, บ, บ, บเพราะฉะนั้นพระอารหันต์กับคนธรรมดาตกใจนี้จะผิดกันมากพระอารหันต์นี้จะมีอาการยิบยับขึ้นมาแล้วก็หายพับไปเลยไม่มีก็ว่าโอ้พุทธทตายตาตไม่มีนะ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 ตัดกระแสเนี่ยคือเรื่องที่เขากำลังเสียบอยู่นั่นน่ะสามารถที่จะดับปุ๊บลงไปไม่ต่อเข้าใจครับว่าไม่ต่อไว้ถ้าเราฟุ้งฟุ้งฟุ้งอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสมมติว่าเราไปทันปุ๊บเราไม่ต่อให้เป็นเรื่องเป็นราวเขาก็จบลงเลยลึกไปไหมน้อ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 ไม่ให้ไม่ให้เลยคือดับฟุบเลยดับแล้วก็หดตัวลงหดตัวลงเลยอันนี้พูดถึงกัอารมณ์กับจิตที่กําลังต่อสู้กันที่ดึงมาที่ฐานดึงมาปุ๊บแล้วเขาก็อยากออกไปเรื่องบมาปุ๊บเขาก็อยากออกไปโดยธรรมชาติคล่องตัวของเขา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 คือลงพิ่งทาอะไรจะได้ขีดได้เขียนให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเลยนีนเปยนไปไม่ได้การปฏิบัติทางใจนี่มันเหมือนฝนทั้งให้เป็นเข็มเพราะฉะนั้นพวกคุณอย่าได้ตั้งความหวังอะไรเลยรู้วิธีทำให้ทำอยู่ใช่สม่าเสมอนั่นคือความจริงแต่ถ้าคุณตั้งความหวังอะไรไว้สักอย่างได้อย่างหนึ่งเนี่ย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 เราก็ค่อยจบเลยเล okay. มันยังไงลักษณะจิตขาดจากอารมณ์ทีนี้ขาดจากอารมณ์ปุ๊บช่วระยะหนึ่งเขาจะมานิ่งเลยอนะจิตนิ่งนี่ไม่ใช่ธรรมดานะจิตนิ่งนี้โยกตัวขนาดนี้ไม่ไม่มีความรู้สึกว่าโยกตัวเลยนะ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 สนามทำงานของเวทนาก็คือร่างกายถ้าเรามองไปมองมามองไปไม่ใช่ครั้งเดียวนะหลายๆครั้งถือขับตรครับสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเราไม่ใช่ตัวใช้ตวไม่ใช่เราใช่เขาและหล่กพวกนี้เป็นส่วนประกอบอหลักฐานตัว น, นี้ยืนยันอยู่เรามาแยกทีนี้แยกแยกกายแยกเวทนา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 เมตนาที่มองเห็นอยู่ดับปุ๊บดับปุ๊บดับปุ๊บจิตละดับเนี้ยคิดไปถึงใครไม่ได้นะดับปุ๊บเลยนะดับคนที่เกี่ยวข้องทุกคนในโลกดับหมดนะตอนดับปุ๊บุบ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 ให้ทานไม่ได้รักตัวเองนะพระพุทธเจ้ากล่าวเรื่องให้ทานไว้วัตถุทานนี่อยู่สิบอย่างนะอันหนังปานังวัตถังยานังมารลากันทังวิริปันังเซยวยัสทะถังปฏิยปยังทานวัตถุอิเมดาสะทานวัตถุสิบอย่างเหล่านี้คือข้าวน้ำผ้ายาระเบียบดอกไม้ของหอม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 แต่แปลกนะไม่มีผิดนะไม่มีผิดเลยบางคำเราถึงสงสัยตัวเองเลยเทศธรรมารุงธรรมารไปแล้วไปฟังตัวเองเอ๊คำนี้มันเอามาได้ยังไงมันอัตโนมะถึงขนาดนั้นนะ่ะพื้ไปเลยพูดยังไม่จบคำว่าประโยคนั้นพื้นมาแล้วเรามีหน้าที่พูดอย่างเดียว จ้าแต่ถ้ามันไม่ส่งข้อมูลก็เออยุ่งเหมือนกันนะมุกวกวนๆวนอยู่นั่นนะสมาธิสมางอสมางอสมาธิอยู่นั้นยุ่งเหมือนกันถ้ามันไม่ส่งข้อมูลก็นึกปริยัตขึ้นมาเลยอาศินสมาธิปัญญาก็มาเลยแต่มันไม่น่าฟังเนะี่ยมันไม่น่าฟัง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 เพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่เนี่ยการตูนเปคนจริงๆๆเอาต่อไปไปไหนแล้ว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 วัตถุกับาศาสนสถานหนึ่งสองคือาศาสนพิธีสามคือาศาสนธรรมสี่คือาศาสนบุคคลเพราะฉะนั้นาศาสนสถานก็คือวัดบาอาราบุตรวิหาราศาสนพิธีอริยพิธี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 อริยะสงคือนาบุญของโลกโสดาสกิทธาาคานะคาอรหรันต์บุคคลสีส่คู่บุคคลสี่คู่แปบดบนี้ใดเราโซดาปฏิมาโสดาปฏิผล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 เป็นผู้เป็นบุคคลที่ควรต้อนรับแขกเป็นบุคคลที่ควรรับเครื่องสักการะที่เขานามาบูชาเป่นกาวไว้อย่างนี้นะเป็นบุคคลที่ควรทำอันชาดีกราบไหว้เทิดทูนบูชาท่านเหล่านี้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 เราความาแบบง่ายๆเลยนะอัปนาสมาธินี่ความาแบบง่ายๆเลยแบบง่ายๆเลยไม่มีใครมาสอ น, นความรู้สึกอสตุงสตินี่นะเรามาคนเดียวไม่ไม่ใช้เวลานาน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 มดศิลอยุข์เอาสุตยุขศึกษาเราเรียนศึกษาเราเรียนพันสุตะไปทานยุก์เหลือทานอย่างเดียวเนี่ยมันลั่นลงไปให้เห็นเห็นหเห็นหเห็นหเห็นเลยเดี๋ยวจะไปประกาศปฏิบัติทำบัดนั้นบัดนี้โอ้โดนเขาดา่าศิลอยุขสุตอยุข์านยุข์กันะ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 ถ้าที่สุดแห่งกิจใจมันตัดได้ทั้งโลกธาตุนี่แหละไม่ต้องสงสัยหรอกถ้าไม่เข้าถึงความเป็นละกิเลสเนี่ยอตัดกั้มไม่ได้หรอกอานาจของความบริสุทธิ์ใจนี่แหละอานาจของความมีสมาธินี่แหละเราบอกแล้วว่าระบบที่เราสอนอยู่นี่สอนหนี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 ทำดียึดดีถือดีอวดดีผิดหมดจันบุญจันเทวไว้นะ่ะทำดียึดดีถือดีอวดดีผิดหมดและปฏิบัติบางช่วงบางอย่างก็เหมือนคนผีบ้านะแต่ก็ยอมเพื่อที่จะเป็นคนดีโดยสมบูรณ์ จริงๆตองตงไป อ, ะ <S <S อ่ะแล้วเราเอาของดีๆมาให้พวกคุณทังนั้นอ่ะจะทำยังไงแต่พวกคุณไม่สมเราตั้งใจเลยนะเ้าให้พอ่อนบอก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 ครับนวัตการพ่อแม่ครัวจย์ทนพระอาจารย์ ช, ยชัยแดนศิลสุธโธ <c oughs> ในนามชมพุนช ม, มพุทธเทวีและญาติธรรมทั้งหลายขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์อย่างสุดซึ้งที่เมตตามาในวันนี้แล้วก็ให้เรื่มกันปฏิบัติธรรมแล ะ, ะทำบุญเนือวันนี้นะครับขอให้เราทุกท่านได้สาธุการดังๆสามครั้งกับ บ, บุญกุศลในวันนี้ครับสาธุสา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 รูปติปันโนภาควาโตซาวกสังโตสังฆา